รู้เท่าทุกคิดค้นถึงต้นเหตุและกิเลส ที่จะนำให้ทำชั่วทำจิตใจผ่องพิสุทธิ์ดุจดอกบัวที่แย้มยั่วเหนือน้ำงามล้ำเอ่ยศาสตราจารย์ถะปณีนาคอนทัพ ข้อหมายสูงสุดที่เรียกว่าจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานั้นก็คือการสิ้นทุกขศาสนาพุทธเนียมีไว้ก็เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกก็มีหลักธรรมในคำสอนที่เราได้ยินอยู่เสม อ, สมอว่าให้ละความชั่วทำความดี แล้วก็ท ำ, ทำจิตทําใจให้อยู่เหนือดีเหนือชั่วโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งความชั่วแล้วก็ความดีจิตจึงจะหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์เสียได้หลักสําคัญในคําสอนนี้ก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ ศา ส, สนาพุทธเนียงเราศึกษาไปจริงๆแล้วจากการอ่านก็ดีการฟังก็ดีการคิดก็ดีหรือการลงมือกระทำอะไรก็ดีท่านจะสอนให้เรารู้จักคิดนะสอนให้เรามีวิธีการคิดที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นคิดไปทางที่จะปล่อยวางคิดเพื่อที่จะทําจิตทําใจเราเนี่ยให้พ้นออกไปจากปัญหา พ้นไปจากปัญหาแม้แต่ในความคิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้เราจะเป็นต้องใช้ความคิดนะความคิดเนี่ยที่ว่านําพาชีวิตเราเนี่ยออกจากปัญหาได้เหมือนกันในบางปัญหาเนี่ยใช้แค่ความคิดจิตก็หลุดออกมาได้แล้วบางปัญหานี่คิดเอาก็ไม่ได้ก็ต้องมีตัวการปฏิบัติอย่างเช่นว่าถ้าก็จะสอนให้เรา รู้จักคิดในขณ ะ, ะที่เรามีปัญหาชีวิตคนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเวลาชีวิตมีปัญหาความคิดก็เริ่มต่อต้านต่อต้านปัญหาไม่อยรู้จักยอมรับเช่นว่าโอ้เรานี่ยแย่เลยไม่ไหวแล้วเราคงจะไม่ไหวแล้วตั้งคำถามว่าทำไมทำไม ทำไมนาะเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไอ้คําถามแบบเนี้ยมันหาคําตอบไม่ได้หรอกถ้ามีก็ว่าทำไมหาคำตอบไม่ได้โทษสิ่งนู้นโทษสิ่งนี้โทษคนอื่นทำให้เราต้องมีปัญหาเพราะคนอื่นเกิดความโกรธจิตใจเป็นทุกข์เลยอันนี้เป็นการซ้ําเติมตัวเองปล่อยจิตประใจัยให้จมแช่อยู่กับปัญหาไม่คิดหาทางออก กก็มาขึ้นและปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้ไขด้วยเนี่ยแม้แต่ในความคิดนะคิดไปในทางลบเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าชีวิตมีปัญหาคนที่รู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะเนี่ยจะคิดไปในเชิงบวกนะคิดไปทางบวกก่อนไม่แย่ไม่เป็นไรท่าที่จะคิดว่าไม่ไหวแล้วเราเนี่ยก็คิดไปซะว่าไม่เป็นไรคิดไปทางบวกซนะ ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสความทุกข์แบบเนี้ปัญหาแบบเนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปปัญหานี่มันไม่แน่นอนหรอกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ต้องเข้าไปเป็นปัญหาก็ได้ปัญหาไม่มีตัวไม่มีตอล็อกเนี่ยคิดไปทางบวกไว้ก่อนเนี่ยคิดเป็นทางที่ว่าสัจ ธ, ธรรมของชีวิตมีอะไรบ้างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพียงคิดแค่นี้ยใจเราก็เริ่ม ผ่อนคลายเบาสบายนะเพียงแค่คิดไปทางบวกเนี่ยมันก็มีประโยชน์แล้วเป็นการตั้งหลักจิตใจตั้งหลักใจเอาตัวรอดได้แต่ว่ายังไม่รอดตัวนะแค่เอาตัวรอดออกจากปัญหาได้ชั่วคราวแต่ยังไม่รอดออกจากตัวคือความเป็นตัวเป็นตนอยู่แม้แต่ในความคิดอันนี้สำคัญนะโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมผู้ฟังนี่ก็ เป็นนักปฏิบัติธรรมนะเนี่ยส่วนมากก็ชอบการปฏิบัติมาพูดมาคุยเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี่ก็สําคัญเวลาที่จิตใจมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตัวเป็นคู่อริกับทักษ์ปฏิบัติธรรมนะั้นจะปฏิบัติเพื่อเอาชนะกิเลสพอเจอกิเลสแล้วกอ็อันนี้คือศัตรูต้องฆ่าต้องฟันต้องทําลายต่อต้านเนี่ย เราต้องวางจิตวางใจถูกต้องนะเรื่องกิเลสถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไปคิดทําลายต่อต้านจิตแบบนี้เป็นจิตที่ไม่ดีนะมันก็คือกิเลสอย่างหนึ่งเอากิเลสเพื่อจะไปฆากิเลสและผลออกมามันก็จะเหลือกิเลสไม่มีประโยชน์อะไรเท่าเดิมไปต่อต้านกิเลสจิตก็คือกิเลสนีงและถ้าเราไม่ต่อต้านนะ เราจะไปตามเนอะทำตามกิเลสอ่ะยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าไปคิดทําตามกิเลสเมื่อไหร่แล้วก็ก็เป็นการสั่งสมกิเลสและกองถูกก็ไม่ถูกต้องทรงนั้นจะไปต่อต้านจะไปทําลายหรือจะไปตามติดตามกับกิเลสจิตมันก็มีกิเลสเหมือนกันเพราะฉนั้นเราต้องรู้จักวางจิตวางใจให้ถูกต้องให้เราคิดซะว่าโอ้กิเลสเนี่ยมัเรื่องธรรมดานะ เราเองนี่เป็นปุถุชนก <c oughs> ็ย่อมมีกิเลสบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแค่ราอยักยอมรับแต่ว่าไม่ใช่ยอมรับแล้วต้องยอมจำนนกับกิเลสนะ <c oughs> การยอมรับเนี่ยเป็นการตั้งหลักจิตใจสก่อ <c> น <oughs> ยอมรับด้วยการมีสติรู้เท่าทัน <c oughs> รู้เท่าทันกิเลสด้วยจิตใจที่สงบเย็นยอมรับโอกิเลสเนี่ยก็คือครูสอนธรรมะนะกิเลสมันก็มีเที่ยงหรอก ดูเถอะกิเลสในจิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครมีกิเลสทั้งวันทั้งคืนหรอกมันเกิดดับเกิดดับในตัวมนเองมันก็มีความทุกข์เหมือนกันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงหรอกเราสังเกต ด, ดูดีๆเนี่ยด้วยสตเยิเวลาเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดสิเลสปับ๊บมีสติรู้ทันแล้วก็ยอมรับมันซะตัวอยู่ห่า ง, างกิเลสก็จะค่อยๆจางคลายหมดกําลังไปเองเห็นไหม แะ ใ, ใจเราก็จะสงบเย็นมากยิ่งขึ้นทําใจให้เป็นกลางกลางเวลาที่สัมผัสกับอารมณ์ต่างๆจะปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ง่ายแต่เราไปทําไม่ได้หรอกแค่เพียงมีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันด้วยจิตใจที่เป็นปกติอารมณ์ต่างๆจะเป็นกิเลส ก, ก็ดีหรือที่ไม่ใช่กิเลส ก, ก็ดีมันก็ค่อยๆจะจางคลายไปสําคัญนะอุปมาไม่างกับว่า สมัยนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ถ่านใช้ฟืนหรอกในการต้มน้ําเราก็ใช้ไฟฟ้าเสียบปลักเมื่อเสียบปลักถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยน้ําก็จะเดือดพล่านร้อนแต่ถ้าเราจะให้ก า, าน้ําที่มีน้ําร้อนน้ําเย็นลงเนี่ยเราเพียงแต่ถอดปลักออกชักปลักออกแล้วก็รอเวลาสักหน่อยน้ำจะค่อยค่อยเย็ยนลงเย็นลงนะความร้อนก็จะหมดไป กิเลสในะจิตใจก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นหนูงานเสติรู้เท่าทันเลยอ๋อยอมรับเนาะกิเลสก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันแค่รู้แค่เห็นด้วยจิตใจที่เป็นปกติเขาก็จะจางคลายไปอันนี้เพียงแค่วิธีคิดเท่านั้นการวางจิตวางใจนี่ก็ช่วยได้แต่อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สอนให้เราเชื่อฟังเท่านั้น ก็ยังสอนวิธีการคิดเพื่อให้ปล่อยวางก็ยังไม่เพียงพอท่านยังชี้ให้ทำคือแนะวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ออกไปจากปัญหาออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่เพียงแค่ความคิดอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแค่คิดเพื่อจะเอาตัวรอดแต่มีการปฏิบัติเพื่อรอดออกไปจากตัวเลยล่ะคือพ้นจากตัวตนไปเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเลย ฟังเพื่อถอนความยึดมั่นถึงมั่นคิดเพื่อถอนความยึดมั่นถึงมั่นยังไม่เพียงพอต้องปฏิบัติมีตัวปฏิบัติมีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ออกจากความยึดมั่นถึงมั่นแบบสิ้นเชิงเลยเรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้วิธีการปฏิบัตินั้นก็ง่ายๆเพียงแต่มาเฝ้าสังเกตดูตัวเราดูกายดูจิตของเรา ด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวลงไปที่ตัวเราเนี่ยคอยสังเกตรู้บ่อ ย, อยนิ่งนงไม่ใช่รู้เดียวเดียวนะต้องรู้ให้ต่อเนื่องบ่อยๆมันหลงไปก็รู้มันเผลอไปก็อรู้ไม่แต่เผลอก็รู้ว่าเผลออะไรอย่างนี้นะรู้บ่อยนึ่งเนเนี่ยรู้แบบใจเย็นเย็นไม่รีบร้อนเนี่ยเป็นความเพียร น, นะ รู้เรื่อยๆอย่างนี้แหละสังเกตดูตัวเราบ่อยๆโดยจะเย็นๆพอใจในสิ่งที่เราการะทาอยู่แล้วก็พอใจในผลที่เกิดขึ้นจิตก็จะเริ่มผ่อนคลายแล้วเราจะเห็นว่าทําไปนานๆเนี่ยเรารู้เฉยๆไปนานๆเงี้ยภาวะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาในจิตใจเราก็คือความสะอาดความสว่างความสงบความไม่มีทุกข์เนี่ย ซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกค น, นก็จะปรากฏสภาวะนี้ในจิตใจขึ้นมาทันทีเลยเห็นั้ยเขามีอยู่แล้วความสะอาดความสว่างความสงบความไม่มีทุกเนี่ยเขามีอยู่แล้วในจิตใจเรา <_' S 2> เพียงแต่ว่าภาะวะอย่างเนี้ไม่มีโอกาสที่จะปรากฏตัวขึ้นมาเพราะว่าการปรุงแต่งในจิตใจของเราเขาบังความสะอาดความสว่างความสงบ ควไม่มีทุกสมุูรเลยเพราะการปรุงแต่งนี่แหละอาจจะปรุงไปทางดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นการบังจิตบังใจให้เศร้าหมองได้เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าการปรุงแต่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เราห้ามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพียงแค่เราเติมความรู้สึกตัวลงไปในจิตใจของเราเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยความปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ในทางตัวข้ามถ้าเราขาดความรู้สึกต mm ัวความปรุงแต่งก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยธรรมะสองด้านนี Twitter ้จะเกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวการปรุงแต่งก็จะไม่เกิดขึ้นถ้ามีการปรุงแต่งความรู้สึกตัวก็จะไม่เกิดขึ้นสองอย่างนี่มันอย่างกับความมืดและความสว่างถ้ามีความมืดความสว่างก็ไม่มีถ้ามีความสว่าง ความมืดก็หายไปแล้ววิธีการปฏิบัติเนี่ยง่ายๆเพียงแค่เติมความรู้สึกตัวลงไปที่เนื้อที่ตัวของเราเนี่ยที่กายที่จิตเราเนี่ยรู้สึกเฉยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะจิตก็จะเป็นปกติความสะอาดความสว่างความสงบความสิ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเราทันทีเลยปลากว่ตัวเราขึ้นมาเลยเพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจในส่วนนี้ คือต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องแล้วการพูดจาก็จะถูกต้องการปฏิบัติก็จะถูกต้องผลที่ออกมาเนี่ยก็ถูกต้องคือไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์เนี่ยถูกต้องเลยถ้ายังมีความทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าจะต้องคิดไม่ถูกต้องมีความเห็นไม่ถูกต้องพูดจาคงจะไม่ถูกต้องการกระทาไม่ถูกต้องผลที่ออกมาเนี่ย จึงไม่ถูกต้องคือเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องแล้วการพูดก็ดีการกระทำก็ดีผลจากการกระทำก็ดีก็จะถูกต้องและผลสุดท้ายการใช้ชีวิตเนี่ยก็พลอยถูกต้องคือไม่มีทุกไปด้วย